จเจริญพรยังรู้สึกคึกคักรู้รู้สึกเนือยเนื่อยสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักปฏิบัติก้าวหน้าเร็วคือรู้สึกตื่นตัวคึกคักถ้ารู้สึกว่าซ้ํซ้ซากๆรู้สึกเนือยเนื่อยมันก็จะคล้ายๆดื้อหยา หรือไม่ก็ไปโดนอะไรมาถ้าในแง่ของของการปฏิบัติเนี่ยถ้าได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์ท่านไหนแนวไหนแล้วสึกประทับใจแล้วเนี่ยนะ ก็ควรจะใส่ใจคือมันถูกทางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถูกทางแล้วได้ผลแล้วเห็นประจักษ์แล้วต้องเร่งเร่งอะไรก็เรียกว่าตามน้ำอ่ะ <c oughs> บางทีเราไปเจอคำสอนที่ถูกแล้วแล้วก็ยังไม่พอใจ น, นะแล้วก็ไปสแสวงหาแล้วก็ขวมันก็เลย มีคลื่นรบกวนมีคลื่นรบกวนอย่างถ้ายกตัวอย่างตมาเนี่ยกูบาอาจารย์ที่ดีมีเยอะนะแต่ว่าพอฟังหลวงพ่อประโมทแล้วรู้สึกอแบบสึกหิวมานานหิวธรรมะมานานนะแล้วแล้วท่านก็มีธรรมะรสชาติที่ถูกปากเรา ถูกปากถูกหูถูกใจเราแล้วก็ใส่ใจที่จะฟังแล้วก็ระวังที่จะไม่ไปหาแนวอื่นที่มันศึกษาแล้วอาจจะควยเควอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะเวลามีอะไรมันป๊อปขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เลือกใช่ไหมให้กดน้นกดนี้แล้วบางทีมันจะมี recommend ใช่ไหก็นะคือว่า ไม่เสียงแนะนำว่า recommend ไม่เสียงอันนี้ก็คือ recommend ว่าถ้าเจอคำสอนอย่างหลวงพ่อประโมทแล้วนะ recommend ว่าฟังท่านฟังท่านศึกษาฟังบ่อยๆอาทิแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจฟังบ่อยๆแล้วจะจะเก็ตขึ้นมาได้เพราะท่านจะสอนในแง่ของแนวปฏิบัติล้วน ฟังทีไรก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแม้แต่เป็นแทร็กเดิมม้วนเดิมแผ่นเดิมเลยนะก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแต่ถ้าไปศึกษาแนวอื่นได้แต่ด้วยความระมัดระวังหน่อยมัน <c oughs> นี่เทียบกับเล่นคอมพิวเตอร์คงจะเคยเล่นกันทุกคนนะยิ่งเด็กๆยิ่งง่าย แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพวกอะไร iPad ดแทเลเนี่ยนะมันไม่มีให้เลือกใช่ไหมจะหาข้อมูลข้าวกลายเป็นรูปโป้ขึ้นมาเนี่ยเนาะก็น่าลำบากใจหรือไม่ก็ต้องหาเพื่อนที่ดีเป็นการยานมิตรแนะนำกันเพื่อนที่ดีๆแนะนำชักจูงกันไม่ใช่เพื่อนชวนคุยชวนแชทเดี๋ยวนี้มีสังคมออนไลน์นะ ใครที่เคยเข้าค่ายหรือเข้าคอร์สที่เขาบังคับให้ปิดโทรศัพท์มีไหมมีไหมกี่วันเคยเข้ากี่วันแล้วเปิดโทรศัพท์มาแล้วแบบตกใจไหมอะไรอ่ะโอ้โหตัวเลขที่เราค้างไม่ได้อ่านเนี่ยทำไมมันเยอะมากขนาดนั้นเคยไหมเป็นร้อยไหมถึงพันไหมบางคนแค่3ามวันหรือสองวันกว่าๆเนี่ยนะ โผ oh, ตกใจมีข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านเป็นร0 0 200กว่า300ย mm hmm. เห็นว่าเราเปิดช่องทางไว้สำหรับฟุ้งซ่านเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ต้องระวังหาเพื่อน mm hmm. เพื่อนคู่ใจบางทีไม่ต้องเห็นตัวก็ดีไม่ต้องเห็นตัวก็ได้สมัยก่อนเนี่ย เวลาเขาหาเพื่อนเนี่ยนะก็จะเช็คคุณสมบัติของเพื่อนก่อนพระจ่าหมิ่มิสารเนี่ยนะรู้จักไหมพระจ่าหมิ่มิสารเป็นเป็นพระราชาแคว้นมคตครั้งหนึ่งมีพ่อค้าจากเมืองตักกศิลารู้จักเมืองตักกศิลาไหมไม่ใช่เมืองโม่หินนะหินมาแล้วก็ตักหินไม่ไหมใช่เงิน ตักกสิลาเนี่ยก็คือเป็นเมืองถ้าปัจจุบันนี้อยู่แถวแถวปากีสถานชายแดนปากีสถานจะใกล้ๆจะถึงอัฟกานิสถานนึกภาพแผนที่ออกไหมไกลมากนะระหว่างตักกสิลากับแคว้นมคตเนี่ยแคว้นมคตปัจจุบันก็อยู่อยู่รัฐพิหารใครไปอินเดียนก็จะไปจะต้องไปเจอเมืองราชครืเนี่ย เมืองที่มันมีภูเขาอยู่ล้อมรอบครั้งหนึ่งพระเจ้าพิพิสาเนี่ยเห็นพ่อค้าชุดหนึ่งมาแปลกๆพ่อค้าเวลาไปต่างเมืองเนี่ยนะเขาก็จะพยายามหาโอกาสเข้าเฝ้ า, พ, า พ, พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระเจ้าพิพสาเ็เห็นพ่อค้ามาเข้าเฝ้าก็ถามมาจากไหน สมัยนั้นเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยพูดกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันก็จริงแต่บางทีสำเนียงมันจากตักกศิลากับมาคอนก็สำเนียงอาจจะไม่ตรงกันมากสักเท่าไหร่การแต่งกายก็ไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักทีเดียวก็ถามมาจากไหนมาจากเมืองตักกศิลาพระเจ้าข้าเลรอตักกศิลามีพระจเจ้าแผ่นดินไหมปกครองด้วยประเภทไหนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย มีทั้งแบบพระราชาองค์เดียวกับเป็นเป็นคณะเป็นเขาเรียกอะไรสามัคคีธรรมบอกเป็นพระราชาพระราชาชื่ออะไรชื่อปุ ก, กุสาติเคยได้ยินไหมพระราชาชื่อปุ ก, กุสาติจําชื่อไว้นะพระราชาของท่านเนี่ยทรงธรรมไหมนี่ถามนะทรงธรรมไหมโอพระราชาของข้าพเจ้าเนี่ย มีคุณธรรมดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปกครองประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูกประชาชนทุกคนในตักกศิลาเนี่รักพระองค์มากเลยเรอโอ้ถ้าพระราชาของท่านมีคุณธรรมอย่างนี้ท่านสามารถให้เรากับพระราชาของท่านเนี่เป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่เจอคนดีนะแม้ไม่เคยเห็นแล้วนะได้ยินกิตติศัพว่าคนนี้ มีคุณธรรมดีนะอยากเป็นเพื่อนด้วยอยากเป็นเพื่อนด้วยท่านสามารถให้เรากับพระราชาของท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้พระองค์ได้เอาละถ้าได้นะเราจะยกเว้นภาษีให้นี่ปกติแล้วเนี่ยพอค้าต่างเมืองมาเนี่ยต้องชักเปอร์เซ็นต์เก็บภาษีถ้ามาจากเมืองที่มีกษัตริย์ที่มีคุณธรรมนะก็จะได้รับยกเว้นภาษีถ้าเมืองไทยก็ ถ้าจะถามเมืองไทยต้องเราต้องยกบอกว่ามาจากพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะพระบาวสมเด็จพระภูมิพลมหาราชอย่างเงี้ยต่างประเทศจะโอ้จะยกย่องใครได้ยินชื่อใครได้ยินกิตติศัพท์ของในหลวงเราเนี่ยจะยกย่องมากเลยบางคนไม่ได้มาแล้วไม่ได้เข้าเฝ้านะสมัยที่ท่านยังอยู่สิริราชก็ยังไปอุตษาไปลงชื่อถวายพระพรแต่ตอนนี้ก็ต้องไปหัวหินเนาะ พอพ่อค้าจะกลับก็มากราบทูลลาพระเจ้ามีนพิสารก็ฝากข่าวว่าขอเป็นเพื่อนพ่อค้าก็กลับไปเมืองไปเข้าเฝ้าพระเจ้าปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาติอ้าวโอ้โหไปนานเลยนานสิมันไกลตักเคศิลาก็มาคดไกลามากเลย ไปไหนมาไปค้าขายที่ไหนมาหายเป็นนานไปแควนมะคดพระองค์เป็นยังไงบ้างแคว้นมะคดแคว้นมะคดดีมากเลยพระราชาแห่งแคว้นมะคดเนี่ยฝากขอเป็นสหายกับพระองค์เหรอแล้วพระราชาแคว้นมะคดเนี่ยดีไหมถามกลับนะ <laughs> คนมีปัญญานะคนดีนะอยู่ๆจะ รับเพื่อนเลยเนี่ยกดแอดอย่างเดียวง่ายไปสอบถามก่อนนะสอบถามก่อนเป็นยังไงพระาาพระาชาของพระองค์พระราชาของแคว้นมคตเนี่ยเป็นยังไงดีมากเลยพระองค์พระราชาแคว้นมคตเนี่ยแคว้นมคธเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมากสมัยนั้นเนี่ยแคว้นมคตเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะเป็นมหาอำนาจก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มมหาอำนาจในยุคนั้นเลย เมืองตากศิลาเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเป็นค่อนข้างจะห่างไกลอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าลุ่มน้ําสินทุแคว้นมคตอยู่ลุ่มน้ำํำคงคาบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคตรพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชาผู้ทรงธรมรมราษฎรในแคว้นมคต ร, รักพระองค์ทุกคนรักสิเป็นพระโสดาบันอะ <Pin ot mouth> ปรากฏว่าถ้าพระราชาผู้ทรงธรรมเรารับเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนด้วยรับแอด <Pin ot mouth> <c ười> ก็เลยส่งราชสารส่งสารไปบอกว่าถ้าถ้าแคว้นของพระองค์ถ้าแคว้นของของพระเจ้าพิมพิสารมีอะไรดีด ขอให้เพื่อนบอกเราบ้างพระเา้ า, ษษารย์สานก็ส่งมาบอกว่าถ้าแคว้นของท่านพระองค์ของพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยมีอะไรดีๆก็ให้บอกมาบ้างมีเขาเรียกว่าส่งบรรณาการบรรณาการเนี่ยท่านครอบคลุมถึงขนาดเรียกว่าทั้งของควรดูและของควรฟังนะของควรดูถ้ามีรัตนะอะไรรัตนะคือของมีค่าถ้าเราอาจ พูดถึงรัตนะเรานึกถึงเพชรถึงพลอยพวกนี้นะแต่ความหมายของท่านไมายถึงแก้วที่มีค่าจะเป็นของที่ควรดูหรือของที่ควรฟังให้ส่งข่าวให้แบ่งมาดูกันมาดูมาฟังกันบ้างพ่อค้าจากแคว้นมโคตรมาพาระเจ้าปุกุสาติก็เว้นภาษีให้คล้ายๆ AEC ออะไรเงี้ยเนาะ <laughs> แต่เราเรา พร้อมไหมเนี่ยเข้า aec เนี่ยพร้อมไหมแต่เขาเนี่ยผูกมิตรกันก่อนระหว่างพระราชากับพระราชาผูกมิตรกันเป็นมิตรรับเป็นเพื่อนกันแล้วก็แสดงความเป็นเพื่อนด้วยน้ำใจยกเว้นภาษีให้กับพ่อค้าจากเมือง น, นี้ทั้งแควนมาคตกรุงราชคลึกับกรุงตากศิลาเนี่ยนะต่างก็เป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่เห็นหน้ากัน แต่ถ้าเดี๋ยวนี้ง่ายนะโพสตรูปเข้าไปก็เห็นหน้ากันแล้วบางคนแอบไม่ยอมโพสต์หน้าตัวเองนะเอาดาราเกาหลีอะไรมาใส่แทนหลอกหลอกลวงก็เรียกว่าไม่มีสัจจะหลอกลวงครั้งหนึ่งพระเจ้าปุกุสาติได้รับ ผ้ากำพลรู้จักผ้ากำพลไหมผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผ้ากำพลจำนวน8ดผืนเนื้อละเอียดมากของมีค่าให้คนตีค่าแล้วบอกว่าโอ้หาค่าไม่ได้ฝีมือระดับนี้แล้วมันไม่มีใครทำได้ขนาดนี้พอพระเจ้าปกุาติได้มาก็โอ้ของอย่างนี้ต้องให้เพื่อนดูสิ ไม่เคยเห็นหน้ากันนะแต่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนดีเป็นพระราชาผู้มีคุณธรรมมันวัดน้ำใจกับตรงนี้นะได้ของดีแล้วนึกถึงเพื่อนเนีเราเราเวลานึกถึงเพื่อนนึกถึงด้แง่ไหนแต่เพื่อนที่ดีเนี่ยได้ของดีจะนึกถึงเพื่อนอยากจะให้เพื่อ น, นก็เลยสั่งให้พนักงานห่อผ้า ผ้าเนี่ยนะม้วนเสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวผ้าเนี่ยกว้างเท่าไหร่กว้างสศอกไม่ใช่กว้าง8ศอก8ศอกเท่าไหร่เมตรกว้างกว่าเสืออีก2ผืนยังยาวกว่านะสเมตรยาว16ศอก8เมตร รู้จักสอกไหมสอกเนี่ยสองสอกเป็น1เมตร4ี่สอกเป็นหนึ่งวาหนึ่งวาเท่ากับ2เมตร16ศสอกเท่ากับ8เมตร8เมตรคูณ4เมตรความละเอียดของผ้านะพับไปพับมานิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เคยเห็นไหมบางทีผ้าที่เขาห่อกันเล็กๆนะเอาไปแช่น้ามันบานออกมาเคยเห็นไหมจากญี่ปุ่นอ่ะแต่นี่มัน เทคโนโลยีสมัยนั้นนะผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์เนี่ยนะผ้าขนสัตว์แท้ๆเลยนะทอละเอียดขนาดพับไปพับมานะแล้วหุ้มด้ก้อนครังรู้จักครังไหมครังไม่ใช่ครังคอควายรอเรือแม่นากาะไม่เอกงองงูครังครังเนี่ยคือยางที่ได้จากแมลงครังเนี่ยสีออกแดงๆหน่อย ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะทําเป็นรูปคล้ายๆเทียนมีไส้ต้องเผาใหนะ้มันละลายก่อนแล้วก็หยดไปคล้ายๆประทับตาแล้วก็ปั๊มตาถ้าไปลายสนีสมัยก่อนจะใช้เดี๋ยวนี้ใช้เป่าไม่รู้ถ้าแบบหีบห่อแล้วนะแบบกันคนแกะก่อนได้รับอนุญาตเนี่ยก็หยดข้า่งประทับตาเป้งเข้าไปข้างเนี่ยก็เป็นยางพอแห้งแล้วมันจะแข็งๆกระเทาะ ง, ง่าย นั้นเอาไว้สําหรับอะไรประทับตาแบบห้ามเปิดหุ้มเอาครั่งเนี่ยมาหุ้มหุ้มเสร็จแล้วก็ห่อใส่ผ้าอบห่อผ้าอื่นๆใส่ผ้าอบทั้งแปดพื้นเลยไม่กักไว้เลยได้มาแปดพื้นให้เพื่อนหมดเลยไม่กักไว้เลยนะให้เพื่อนหมดตอนไปเนี่ยสั่งอมาตไปส่งอมาตไปนะ ไม่ได้ให้ฝากข้อค้าไปนะส่งอำมาตย์ไปบอกอำมาตย์ว่ามีราชสารอันหนึง่งไปตังหากบอกว่าขอให้ประชุมอำมาตย์แล้วเปิดเครื่องบรรณาการนี้ในโรงโรงในพระราชวังในโรงว่าว่าราชการของพระองค์ก็อำมาตย์ก็เดินทางไป ถือบรรณาการไปถวายแล้วก็มอบพระราชสารกำกับว่าวิธีรับราดเครื่องราดบรรณาการเนี่ยรับยังไงก็ประชุมพระเจ้ามีประสารก็ประชุมสั่งประชุมอํมมาศก็เปิดหีพอหลายชั้นนะเปิดหีพอหลายชัน้นสุดท้ายเปิดผ้าห่อทั้งหมดแล้วเหลือก้อนข้งัขงก้อน แต่ละแต่ละแต่ละกล่องแต่ละก่องจะมีก้อนก้อนครั่งดูนึกขำพระเจ้ามีภาษานึกขำโอ้เพื่อนเราอารมณ์ขันเนาะภาษาภาษาในปไายปิดกนะบอกบอกพระสหายของเราคงจะนึกว่าเราเนี่ยมีจิตที่รุ่งเรืองจึงส่งก้อนครั่งมาล้อเล่น ก้อนข้งไม่มีค่าอะไรอเอาไว้ประทับตาส่งเครื่องบรรณาการมาแปดกล่องแต่ละกล่องเปิดมาเป็นก้อนข้างก็เลยหยิบมาแต่ละก้อนมาฮดูสิพูดกับอมาตยนี่เหมือนตรงนี้เป็นที่ประชุมเนะดูสิท่าสหายของเราอารมณ์ขันมากเลยสรงเครื่ออุษาส่งอมาตทรงเครื่องบรรณาการมาเอาก้อนคข้างมาโชว์ <c oughs> แล้วก็ขเขา ระหวัางด้วยแบบอืมคล้ายๆกับเดาใจเพื่อนนะนะเพื่อนเรานี่ยังไงเนาะอารมณ์ขันระดับไหนเนี่ยเคาะไปเคาะมาก้อนขรั่งแตกราวขึ้นมาราวขึ้นมามันแคลค์มันแคลค์มันไม่ใช่มีก้อนข้างธรรมดาเนี่ยมันห่ออะไรอยู่อีกก็เลยใช้เล็บแงะดูโอ้พอคลี่ออกมาเนี่ยเป็นผ้าผืน8ปดคูนสี่เมตรเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าธรรมดาไม่ใช่ผ้าฝ้ายผ้ากําพล ที่ประชุมตรงนั้นนะทั้งอมหาทั้งไพร่ปบมือกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นผ้าอะไรขนาดนี้ให้คนตีค่าให้ช่างมาดูตีค่าไม่ถูกไม่เคยเห็นผ้าแบบนี้ผ้ากำพลขนาด8ปดคูณสี่แล้วห่อได้เท่านี้โยมเสื้อตัวหนึ่งเท่านี้นะจะได้เท่าไหร่ ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหพระราชาของเราได้สหายที่ดีส่งเครื่องบรรณาการหาค่าไม่ได้ดีมากเลยที่พระเจ้าพิมพิสารได้เพื่อนคือพระเจ้าปุกุสาติแม้ไม่เคยเห็นกันเลยยังอุตส่าห์ส่งของมีค่าขนาดนี้มาให้พระเจ้าพิมพิสารก็คิดละโอ้เพื่อนเราส่งของมีค่าขนาดนี้ ได้มา8ดผืนทายสิเอาไปทาอะไรบ้างถวายพระพุทธเจ้าเก็บไว้ใช้เพียงสี่ผืนอีก4ี่ืนน่ถวายพระพุทธเจ้ า, นนะ า, จาแล้วก็มาคิดให้ดูวิธีคิดของของพระโสดาบันนะวิธีคิดของพระโสดาบันนึกว่าเราจะเอาอะไรไปตอบแทนเพื่อนดี เพื่อนส่งรัตนะที่เป็นผ้าหาค่าไม่ได้มาให้พระองค์ก็คิดเลยรัตนะในโลกนี้แบ่งเป็น2คือรัตนะที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณรู้จักไหมรัตนะที่มีวิญญาณก็คือมีชีวิตรัตนะที่ไม่มีวิญญาณก็คือพวกเพชรพลอยพวกนี้พระองค์ก็คิดเทียบเลยบอกรัตนะที่ไม่มีวิญญาณคือพวกเพชรพลอยพวกเนี้ย เป็นเพียงเครื่องประดับสำหรับรัตนะที่มีวิญญาณเท่านั้นดังนั้นรัตนะที่มีวิญญาณมีค่ากว่า <Okay. S 1> เทียบอีกในบรรดารัตนะที่มีวิญญาณ <Okay. S 1> ก็มีรัตนะที่เป็นดิรชานกับเป็นมนุษย์ <Okay. S 1> ดิรชานรู้จักดิรชานัหม <Okay. S 1> ไม่ใช่คนชื่อเดียอยู่รัชชานนะ uh huh. เดียไม่ใช่ ต้องดิรัตชานแต่คนไทยออกดิรัตชานยากใช่ั้ยเป็นดิรัตชานก็ได้ดิรัตชานกับมนุษย์ดิรัตชานเช่นอะไรมา้ากระดียินไหมม้าแก้วช้างแก้วเนี่ยนะกับมนุษย์ม้าแก้วช้างแก้วก็เพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์รัตนะดีประเสริฐกว่าดิรัชานรัตนะคิดอีก ในบรรดามนุษย์รัตน์เนี่ยมีเพศหญิงเพศชายมีอิทธิรัตน์กับปุริสะรัตนะ์ปุริสะคือผู้ชายบุรุษอิทธิคือหญิงหญิงเป็นเป็นรัตนะก็มีนางแก้วเคยได้ยินไหมนางแก้วไม่ใช่แก้วนาม้านะนางแก้วก็คือเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรด แต่พระเจ้าจักรพรรดิย่อมใหญ่กว่าดังนั้นท่านก็บุรุษลัตนะประเสริฐกว่าไดรมดาบุรุษลัตนะนั้นก็มีอาคาริกกับอนาคาริกรู้จักไหมอาคาริกคือผู้ครองเรือนอนาคาริกคือผู้ไม่ครองเรือนเป็นนักบวชอันไหนประเสริฐอนาคาริก ประเสริฐกว่าไดบรรดาอนาคาริกดูสิค่อยๆไล่ไป น, นะเขียนไม่ใชเขียนอะไรเลือกเลือกแล้วเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆนะประเสริฐไปเรื่อยๆนะไดบรรดาอนาคาริกก็มีปุถุชนกับอริยะอันไหนประเสริฐอริยะประเสริฐง่ายนะไดมันดา อ, าอาาริยะก็มีเสะขะกับ อเศขะอันไหนประ เ, รเะสริฐฮะอเศขะเสขะคือผู้ที่ยังต้องเรียนต้องศึกษาอเสขะเรียนจบแล้วพ้นทุกแล้วไม่ไม่มีอะไรต้องเรียนอีกแล้วจบพรหมจรรย์แล้วอเศขะประเสริฐกว่ า, อ, าอ้าอเศขะในบรรดาอเศขะทั้งหลายก็มีตรัสรู้เองกับเป็นสาวก อันไห น, นไหนประเสริฐกว่าตัดสรู้เองเดิมดาตัดสรู้เองก็มีตัดสรู้เฉพาะตัวเป็นปัจเจกพุท ธ, ธะกับสัพพัญยูพุท ธ, ธะหรือสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะหมดแล้วไปไม่ถูกไปไม่ได้แล้วยอดอยู่ตรงนี้สุดยอดเลยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนอันประเสริฐ เหนือกว่ารัตนะใดๆในโลกนี้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวโลกพรห ม, มโลกทั้งหลายแต่เราจะส่งพระพุทธเจ้าไปได้เหรอ <c oughs> <c oughs> นี่นะวิธีคิดของท่านนะคิดจนมาถึงลัุดยอดแล้วนะแล้วเอ๊แล้วเราจะส่งไปได้เหรองั้นอ่ลดลงมาพระพุทธเจ้าเราคงไม่มีอำนาจอะไรจะไปกากเกณฑ์ท่านเนาะ ร ล, ลดลงมาพระปเจ้พุทธเจ้ายุคนี้ไม่มีลดลงมาอีกเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะไปสั่งท่านได้เลยนึกไปนึกมางั้นเอาทรมรัตนะก็แล้วกันธรมรัตนะคือเราจะเขียนสารบอกข่าวว่าเกิดรัตนะคือพุทธรัตนะ ทำรัตนาและสังครัตนะขึ้นแล้วในโลกสั่งให้พนักงานเตรียมแผ่นทองคําเตรียมแผ่นทองคำนะจะเขียนสารที่บอกว่าเกิดรัตนะขึ้นแล้วในโลกไปบอกกับเพื่อนนะบอกข่าวดีนะไม่ชวนโม้ไม่ชวนคุยอะไรนะไม่ชวนไปเที่ยวไหนแต่จะบอกข่าวดีว่าเกิดรัตนะขึ้นแล้วในโลก เวลาท่านจะเขียนเนี่ยนะสมาทานอุโบสถถือเป็นของสูงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะเหมือนเราเวลามีหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยเราจะไม่เดินข้ามเราจะไม่วางกับพื้นเห็นคุณค่าของหนังสือธรรมะพระเจ้าพิพิสานได้แผ่นทองมาแล้วเนี่ยพอเตรียมจะเขียนนะสมาทานอุโบสถสงสนารทําตัวเองให้สะอาดนะ ขึ้นปราสาทชั้นบนสุดปิดประตูไม่ให้ใครกวนเปิดสีหะบัญชร อ, อยู่ที่พระแท่นสมมาธานอุโบสถแล้วแล้วลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยไม่ธรรมดานะโสดาบันทำอะไรไม่ธรรมดาแล้วจาลึกลงแผ่นทอง แล้ลึกถึงรัตนะแรกพุทธรัตนะเขียนเขียนเสร็จแล้ลึกถึงธรรมรัตนะก็เขียนบรรยายนึกถึงสังขรัตนะก็เขียนบรรยายแล้วก็เขียนกลัวเพื่อนไม่เข้าใจนะเล่าพุทธประวัติโดยย่อพระพุทธเจ้ามาจากตระกูลไหนออกบวชเมื่อไหร่ ทำทุกรกรกิริยาแล้วก็ตัดสรุ้เมื่อไหร่มาแสดงธรรมโปรดชาวเมืองที่กรุงที่กรุงราชฤก์นี้ก่อนเราได้ฟังแล้วประมาณอย่างเี้นะเล่านะแล้วก็เขียนบรรยายว่าทมที่พระองค์แสดงนั้นคืออะไรบ้างบรรยายวิธีทำกรรมฐานบอกเพื่อนด้วย วิธีทำอานาปานะสติวิธีเจริญสติปัฏฐานอะไรนะั่นเสร็จแล้วม้วนม้วนแผ่นทองคำคงไปห่อเป็นครั่งไม่ไหวใครเคยเห็นตะกุดไหมเราจะไปห่อตะกุดไม่ได้ใ่ไต้องม้วนเอานะเพราะทองคาเป็นโลหะหม้วนขืนไปทำเป็นอะไรเป็นก้อ น, นก็พอคลีกมายับอ่านไม่ออกม้วนม้วนไปนี่ยิ่งกว่าตะกุดอีกนั่นะบรรยายเยอะมากเลย เสร็จแล้วก็ใส่หีบใส่หีบไม้ใส่หีบแก้วหีบเพชรเห็ดหีบพลอยบรรดาหีบทั้งหลายเนี่ยเป็นหีบที่ประดับลัตนะที่มีค่าทั้งนั้นเลยที่ว่ารัตนะอะไร9อย่างใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เป็นกล่องประดับลัตนะเนี่ยอย่างหนึ่งชั้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นลําดับลําดับไปแล้วก็ส่งตอนส่ง สั่งอัมาราไปนะให้สหายของเราเนี่ยจงเปิดอย่าเปิดในถ้ำกลางสนมกำนันกลัววอกแวกให้อ่านในที่ลับดูสิของพระเจ้าปุกุษสาตินีให้ประชุมในที่ห้องโถงแต่พระเจ้ามิวสารส่งสารไปว่าให้อ่านในที่ลับ ในปร า, าสาทส่วนพระองค์ในที่ปราศจากนางสนมกานันทั้งหลายพระจ่าพิวิสา์เขียนสารนั้นเสร็จแล้วเนี่ยทความรู้สึกเหมือนว่าเราได้อัญเชิญพระพุทธประธรรมประสงค์มาอยู่ที่นี่แล้วเวลาพร ะ, พระจ้าพิวิสา์จะอัญเชิญเนี่ยนะทูลหัวทูลหัวเเคยเป็นแม่ทูลหัวไหม แล้วก็ทูลจริงไหมอันนี้ทูลจริงๆเลยนะพระเจ้ามีมพิสารที่ทูลขึ้นหัวจริงๆเลยส่งขึ้นช้างเอาเอาทองคําเครื่องราชบรรณาการเนี่ยนะส่งขึ้นช้างแล้วช้างที่บรรทุกราชบรรณาการเนี่ยนำหน้าและพระองค์ตามหลังขึ้นช้างอี ก, กตัวหนึ่งตามหลัง ส่งจนถึงชายแดนเท่าที่เขตอำนาจของพระองค์ไปถึงตรงไหนก็ส่งถึงขอบเลยให้เกียรติว่าเหมือนเรามาส่งพระพุทธเจ้าส่งพระธรรมส่งพระสงค์ก่อนจะมาส่งเนี่ยสั่งให้คนเนี่ยทำความสะอาดทางไม่ให้มีญ้ารกให้ทางเรียบประดับธงสวยงามไปส่งเครื่องมรนาการนะส่งเครื่องรนาการ ข่าวเนี่ยล่ำลือระเบือไปถึงตักกศิลาแล้วว่าโอ้โหพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเตรียมเครื่องมรราการมาตอบแทนเพื่อนประดับประดาอลังการมากเลยขนาดทางก็ยังประดับขนาดนั้นเลยพระเจ้าปุกุสาตติ น, นี่ตื่นเต้นมากเลยรู้สึกจิตใจเนี่ยอยากจะรู้มากเลยว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยส่งอะไรมาข่าวมันไปถึงก่อนแล้วปรากฏว่าพระองค์ก็เตรียมทางเหมือนกันเตรียมทางรับเลยนะ อมหมาตเนี่ยก็ให้ช้างนำหน้าตัวเองอยู่ข้างหลังพอจะอัญเชิญอมหมาตก็อัญเชิญก่อนจะอัญเชิญนะ้กราบก่อนด้วยกราบเสร็จยกขึ้นทูลหัวบรนดาการของพระเจ้าปุกุสสาติเนะี่ยถืออย่างนี้นะถือไว้ที่อกแต่ของพระเจ้าวิมุสารได้ขึ้นหัวมาเลยพระเจ้าปุกุสสาติตะลึงตั้งแต่เห็นแล้วว่าเฮ้ยบรนดาการอะไรมันมีค่าขนาดนั้นเฉลยยกขึ้นหัวมา ทูนหัวมาแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งส่งสารมาบอกว่าเครื่องบรรณาการนี้ขอให้พระองค์เปิดดูในที่รับในที่ปราศจากนางสนมกำนันทั้งหลายรวมทั้งมเหสีด้วยเนาะพระองค์ก็อ่านสารสา ร, สารบอกวิธีใช้ก่อนบอกวิธีใช้ก่อนอ๋อพระราชสารนีนะ้ต้องไปเปิดในที่ที่บนปราสาทท่านบนก็เอา รับรับเครื่องเมื่อเห็นเขาทูลมาขนาดนั้นนะพระเจ้าปุกุสาติก็ไม่กล้ารับอย่างนี้แล้วนะต้องทูลทูลด้วยน่ารักมากเลยทูลอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นไปบนประสาทให้มหาเล็กตามไปคนเดียวใจก็นึกว่าต้องเป็นขอมีค่าเขาถึงได้โอ้โหเอามาขนาดนี้นะแล้วก็วางไว้บนเตียงบรรทมของพระองค์แล้วพระองค์ก็นั่งในที่ต่ําะ ใจตุ้มๆ ต, มตอบว่าอะไรเนาะอะไรเนาะเปิดมาแต่ละชั้นโอ้โหเป็นเป็นกล่องเพชรกล่องพลอยกล่องไพรินกล่องบุษราคัมค่อยๆเลียงไปแต่ละชั้นแตลช้นบอกนึกในใจแต่เปิดกล่องแต่ละกล่องเนี่ยแค่กล่องก็มีค่ามหาศาลละของข้างในต้องมีค่ามากเลยเปิดไปอีกเจอแผ่นทองคำอ๋อมันเป็นน่าจะเป็นข้อความแสดงว่าเพื่อนเราเนี่ย มีรัตนะที่ควรฟังเราเอารัตนะที่ควรดูไปให้เพื่อนเราเอารัตนะที่ควรฟังแต่สมัยก่อนไม่มี MP3 นะไม่มี iPad, iPod อะไรนะใช้บันทึกลงแผ่นทองคำก็คลี่ค่อยคคลี่พอคลี่มาเนี่ยนะสิ่งประทับใจครั้งแรกเห็นเลยก็คือว่าลายมือสวยมากพราะพระเจ้ามีมิศาลตั้งใจเขียน ไม่ใช่ลายมือแบบเหมือนหมอสั่งยาเคยเห็นไหมใครเป็นหมอต้องนั่งพยาบาลที่ทำงานด้วยกันประจาเท่านั้นจึงจะอ่านออกอะไรอยงี้คลี่ออกมาแล้วประทับใจลายมือเคยเห็นหนังสืออิน <K> เดียไหมเ้าจะมีขีดเส้นอยู่ข้างบน น, นนะบอกตัวหนังสือเนี่ยเป็นบรรทัดตรงเป๊ะตัวเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมชัดเจนมากแล้วก็เป็นระเบียบ แค่เห็นยังไม่อ่านก็ประทับใจศรัทธาในในพระเจ้าพิมพิสานอย่างมากพออ่านคำแรกพระเจ้าพิมพิสารก็เจ๋งมากเลยขึ้นปุ๊บเนี่ยนะพุทโธโลเกอุปันโนไม่ไม่อะไรไม่มีอารัมพบทอะไรเลย <c oughs> ขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงประเด็นทันทีเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก พระเจ้าปุกุสาติก็อ่านตรงนั้นแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือว่าอยู่ในอิริยาบถไหนมันปีติลอยขึ้นมาเลยความปีตินะพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นผู้ฝ่ายธรรมมาตั้งแต่อดีตชาติเคยได้ยินเรื่องที่ว่า พระในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะที่ว่าตอนปลายปลายของศาสนาพระองค์เริ่มเสื่อมมีพระกลุ่มหนึง่งเห็นว่าโอ้ศาสนาเริ่มเสื่อมแล้วพระสุทังร้ายเริ่มเริ่มคลายไม่ค่อยเอาจิงเอาจังแล้วเนี่ยเห็นอย่างนั้นแล้วเกิดความไม่ประมาทพากันไปขึ้นไปที่ภูเขาปีนหน้าผา ตอนปีนหน้าผาเนี่ยใช้บันไดบันไดทาเองมันด้ทาเอ ง, เองปีนทำแบบจับหยาบนะนะไปตีเป็นขั้นๆเข้าไปแล้วก็พอถึงหน้าผาแล้วก็ทิบบันไดลงสมาทานตกลงกันเองว่าถ้าไม่สาเร็จมรรคผลอะไรไม่มีความสามารถอื่นใดจะไม่ปีนลงด้วยกําลังขาปกติถ้าเหาะได้จะไปเหาะได้เท่านั้นจึงจะไป พระเจ้าปุกกุศาติเนี่ยคือหนึ่งในองค์ก ล, กลุ่มพระกลุ่มนี้แต่เป็นองค์ที่ชาตินั้นไม่ได้อะไรที่ว่าไม่ได้อะไรคือไม่ได้มรรคผลแต่ได้สร้างบา ร, รมีได้สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจชุดนั้นเนี่ยนะวันแรกเนี่ยนี่พูดถึงอดีตชาตินะวันแรกเนี่ยพระเถระองค์แก่พรรษาสุดเนี่ยสำเร็จเป็นพร ะ, พระอารหารัน พระเถระก็โอ้เพื่อนเรายังไม่ได้อะไรนะก็เลยไปบินทบาทจะเอาอาหารมาเลี้ยงพระทั้งหมดอีก6องค์ไปด้วยกัน7จ็ดองนะพระอีก6องค์บอก อ, อ, อาจารย์เรียกเป็นพระเถระเนี่ยนะบอกพระเถระเราทำกติกากันหรือว่าใครเป็นพระอาหารหันต์แล้วให้บินทบาทมาเลี้ยงองค์ที่เหลือ ดูสิเอาจริงขนาดนั้นนะเ ร, เราทํากติกากันหรือว่าใครเป็นพระอาหารหันต์แล้วให้เหาะไปแล้วไปบินถบาตมาเลี้ยงองค์ที่เหลือพระอาหารหันต์บอกว่าเออไม่ไม่ได้ตั้งกติกาไว้หรอกถ้าอย่างนั้นเราที่เหลือในที่นี้จะทําความเพียรต่อไปไม่ขอฉันขออนุญาตประมาณนี้นะคือไม่ได้รังเกียจอาหาร ไม่เด้เกียรติพระเถ ร, ระแต่เราขอสร้างเหตุที่จะไปบินดาบัดเอง <c oughs> ขอไม่ฉันพอวันที่สองพระเถระองค์รององค์ที่สองสำเร็จแต่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็เหาะได้เหาะได้ก็ไปเหาะได้ก็โอ้เพื่อนเรายัางไม่ได้อะไรก็ไปบินดบาบัดมาเลี้ยงอีก ที่เหลืออีกห้าองค์ก็บอกถามว่าท่านอาจารย์เราทำกติกากันหรือว่าถ้าพระเถระสาเร็จแล้วพระรองลงมาสาเร็จบ้างแล้วเราจะฉันของพระอนุเถระอนุเถระคือเถระองค์รองพระองค์ที่สองที่เป็นพระอนาคามีนะเออไม่ได้ทำกติกาอย่างนี้หรอกใช่พวกเราทำกติกากันว่าต่างคนต่างจะทำความเพียรกันไปใคร ไม่ได้มากผลจะขอตายที่นี่ถ้าจะไปจากที่นี่คือสําเร็จเองแล้วเท่านั้นจึงจะเหาะไปบินตบาดความเด็ดเดี่ยวของอีก5องค์ที่เหลือหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าปุ ก, กุสาติพระเจ้าปุ ก, กุสาติเนี่ยฝ่ายในธรรมขนาดนี้พอมาถึงชาติที่เป็นพระเจ้าปุ ก, กุสาติเนี่ยจึงคล้ายๆว่าเงี่ยบหูฟังข่าวตลอดเวลาว่า พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อุบัติขึ้นเมื่อไหร่แล้วข่าวนั้นก็ได้มาจากเพื่อนเพื่อนที่รับแอดนี่แหละพอได้ฟังอ่านเองนะอ่านเองแล้วก็ปีติอ่านอ่านบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็อีกพกร r a g r a หนึ่งอีกย่อหน้าหนึ่งก็กล่าวถึงพระธรรมก็ปีติอีกแบบเดียวกันเลย ต้องรอให้มันปีติลดลงมาจึงมาอ่านพรากราฟต่อไปย่อหน้าต่อไปก็กล่าวถึงคุณประสงค์ก็ปีติอีกต้องระงับอยู่ตั้งนานกว่าจะอ่านจบแล้วก็อ่านประวัติพุทธประวัติโดยย่อเสร็จแล้วก็วิธีทำกรรมฐานอ่านถึงอนาปานสติและลองทำเลยไม่ได้อ่านเพื่อประดับความรู้ธรรมดานะ อานแล้วทำเลยทำตามทำตามแล้วทำได้ด้วยทำได้เพราะว่าเคยทำเราที่ทำไม่ได้ก็ต้องทำตอนนี้นะไม่ใช่เออฉันคงไม่เคยทำแล้วเลยไม่ทำไ ม, ไม่ได้นะถ้ายังไม่ได้ทำให้ทำซะนะ <N> เหมือนพระเจา้าปุกุสสาติเนะี่ยทำมาแล้ว <N> พอชาติเป็นพระเจา้าปุกุสาติเลยทำง่าย <N> แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทำนะจนกว่าจะมีเพื่อนมากระตุ้นเนี่ย แล้วก็ทําอานาปานาสติขึ้นมาคราวนี้ทําแล้วได้ฌานได้ฌานสี่เพราะได้ฌนสี่ก็เสวยสุขในฌานสุขในราชาสมบัติที่เคยได้เนี่ยนะรู้สึกจิบจ้อยกระจอกธรรมดามันอะไรขี้เล็บเดีย๋ยวนี้เขาเรียกอะไรกระจอกกระจอกจิบจิอะไรเงี้ยนะเลยเสวย ความสุขจากฌานให้มหาเล็กเอาอาหารมาเพียงวันละครั้งอยู่บนปราสาทนั้นอยู่ถึงสิบห้าวันพระชาจนทั้งหลายก็เฮ้ยพระราชาของเรารับพระราชสารจากพระเจา้าพิมิสารแล้วเงียบเลยหายไปเลยไม่ออกมาว่าความอะไรเลยไม่มาดูฟ้อนรำไม่มาดูนางสนมกำนันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้ว จะว่าสมัยก่อนติดเกมอะไรก็ไม่มีนะเกมออนไลน์ไม่มีก็เลยสงสัยว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเอาอะไรมาหลอกลวงพระราชาของเราหรือเปล่าเกิด <_ d ream> ระแวงแล้วนะระแวงพระเจ้าพิมพิสารคนก็โ hearong ส่งเสียงมาพระเจ้าปุ ก, กุสาติอยู่บนปราสาทเห็นประชาชนโ h e a r o n เรียกร้องให้พระราชานเนี่ยลงไป ทำชีวิตปกติเป็นพระราชาให้เหมือนเดิมพระองค์ก็มาคิดในใจว่าเราจะเอาความเป็นพระราชาหรือจะยอกย่องพระศาสนานึกไปนึกมาพระราชาเนี่ยก็เหมือนสมบัติผัดกันชมตายแล้วก็ตายแต่พระศาสนาเนี่ยนำสู่ความพ้นทุกข์ เราจะยกย่องพระาศาสนาด้วยวิธีการเอาชีวิตของเรามาปฏิบัติธรรมะให้เห็นผลจริงไม่ได้ยกย่องแบบประกาศว่ า, าศาสนาดีแล้วตัวเองไม่ทำเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยทุ่มให้กับาศาสนาโดยการที่ปฏิบัติเอาตัวเข้าปฏิบัติเลยตัดสินใจบวชสั่งมหาเล็กเลยบอกว่าไปหาบาทมาทีเพราะอ่านใน ผูดประวัติแล้วเจ้าชายสิทธัตถะออกบทถือผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน้ําฝาดไปหาผ้าย้อมน้ําฝาดมาที <c oughs> หาบาทมาทีมหาเล็กก็ไปหามาหามาแล้วก็ลองตัดบารมีของพระองค์มีมากขนาดที่ว่าพอใช้พระขันตัดนะผมเนี่ยก็ม้วน คล้ายๆเจ้าชาศิษถะเวลาออกบวชม้วนขดเหลือแค่แค่ที่ว่าไม่ต้องตัดต่อไปแล้วก็ลองห่มผ้าห่มจีวรแล้วก็ลองเดินไปเดินมาดูสิว่าการการเป็นนักบวชของเราเนี่ยพอดูได้ไหมพ <c oughs> ตัวเองคือเป็นแต่พระราชานะไม่เคยออกบวช ด, ดูแล้วก็เออพอพอเข้าท่าพอธรรมะแมแง เลยคุกเข่าสมาทานขอออกบวชอุทิตพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่เคยเห็นแต่รู้ข่าวแล้วจากเพื่อนขอบวชอุทิตพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไม้เท้าอันหนึง่งบาดอุ้มบาดไปแล้วก็ถือไม้เท้าเดินต๊กอกๆออ ก, อ ก, อ, ก อ, อกจากปราสาทคนในวังจำไม่ได้นึกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ไหนคงจะมาโปรดพระราชาของเราเดินออกไปจนหลุดกำแพงวังไปเลยแล้วก็เกิดเอะใจขึ้นมาอา้าวประตูปราสาทเปิดแล้วไหนลองเข้าไปดูซิพระพราชาของเราอยู่เป็นยังไงบ้างอา้าวหายไปแล้วงั้นแสดงว่าองค์เมื่อกี้นี่แหละพระราชาเรา <c oughs> ก็เลยตามไปบอกขอให้กลับมาเป็นพระราชาเหมือนเดิมบอกไม่เอาเรา เราทิ้งแล้วทิ้งเหมือนถุยน้ำลายแล้วเนี่ยจะไม่ตามเอาน้ำลายนั้นกลับเข้ามาปากอีกเคยถ่มน้ำลายไหอแล้วเคยคิดเอาน้ำลายกลับมาแบบนั้นอ่ะบอกเหมือนน้ำลายที่เราถ่มแล้วเนี่ยเราจะไม่เอากลับเข้าปากอีกเราจะขอบวชอุทิตพระพุทธเจ้าชาวเมืองแถลงก็ไม่ยอมกลับมาเถิดกลับมาเถิดพระราชาตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยในคำพีจะไม่เรียกว่าพระราชาแล้วจะเรียกว่ากุลบุตรเพราะว่าออกบวชแล้วจะเรียกคำศัพท์ว่ากุลบุตรปุ ก, กุสาติปุกุสาติที่เป็นกุลบุตรเนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยก็เลยถามชาวเมืองทั้งหลายและอำมา์ทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายยังไม่เลิกตามเรานะ ขอถามหน่อยหนึ่งแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครเป็นของพระองค์ว่าเป็นพระจเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเป็นของพระองค์ปุกุสาติกุลบุตรก็เลยเอาไม้เท้าขีดที่แผ่นดินงั้นเราขอสั่งงั้นเราขอสั่งใครข้ามเส้นนี้มีโทษคนทั้งหลายก็ตายแล้วว่ พระราชาสั่งแล้วกูไปไม่ได้แล้วดูอุบายของพระราชาไม่ใช่ของพระราชาของปุกุสาติที่ออกบวชแล้วปุกุสาติกุลบุตรท่านก็เลยเดินระหว่างเดินไปก็เออเราจะไปแบบไหนนึกถึงตอนอ่านพุทธประวัติเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกบวช ขี่ม้าไปก็จริงแต่พอออกบวชแล้วเนี่ยเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอารอางเท้าออกรองเท้าออกเดินเท้าเปล่าพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วส่งชันนกับม้ากันตกะกลับไปองค์เดียวงั้นเราจะไม่ให้ใครตามไม่ให้มีอุปถากด้วยไม่ให้ใครตามเดินไปด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า เดินไปไอ้กรุงราชชกระไปทางไหนมันึกนะกรุงราชชกระไปทางไหนเห็นพ่อค้าเกวียนผ่านมาจะไปไหนจะไปกรุงราชกรกทำไมต้องไปกรุงราชกระเพราะว่าถูกงดภาษีจะไปค้าขายกรุงราชชกระงั้นเราขอไปด้วยนิมนต์เลยขึ้นเกวียนพ่อค้าไม่รู้จักจำไม่ได้นิมนต์เลยขึ้นเกวียนขึ้นหม ไม่คือพระพุทธเจ้าออกบวชตามที่อ่านนะ น, นะพระเจ้าออกบวชเดินทางด้วยพระบาทเปล่าเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการขึ้นเกวียนเป็นการไม่คารพพระพุทธเจ้าขอเดินตามให้พ่อค้าขึ้นเกวียนไปเกวียนกับคนเดินอันไหนเร็วกว่ากัน พระเจ้าปุกุสาติที่ออกบวชแล้วเนี่ยนะเดินด้วยพระบาทเปล่าทั้งชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่เป็นราชาโอรสเป็นโอรสาธิราชเป็น เ, เจ้าชายเนี่ยนะนะไม่เคยแบบเท้าเปล่าเหยียบดินเลยคราวนี้พอออกบวชนะเท้าอันอ่อนนุ่มถูกดินถูกก้อนหวนก้อนก้อนหินก้อนกรวดเลยเนะี่ยนิดนิดหน่อยหอยก็สะดุ้งสะดุ้งเนีแต่ด้วยความอดทนเดินตามไปเท้าก็ระบม แตกแตกเลยไม่ไม่ทนไม่ไม่หนาเท่าเท้าพัทธุดง<笑><笑>เวลาเ็าด่ากันนะเคยได้ยินไหมเวลาบอกว่าคนเนี้หน้าตาดูไม่ได้เลยนะเนี่ยก็จะเปรียบกับส้นเท้าพัทธุดงใครเคยโดนเปรียบอย่างงี้ไหมพัทธุดงเวลาเดินป่าเนี่ยนะก็เดินแล้วมันเท้าแตกอะ่ะ แตกที่ไหนก็แตกที่ส้นเท้าเนี่ยแตกมากแล้วก็พอแตกแล้วนะไอ้ขี้ฝุ่นอะไรก็จะพิฝังตามร่องอะนะดำเวลาเปรียบเทียบเวลาเขาคล้ายๆที่ว่าจะด่านีนะ <laughs> หน้ายัางก็ส้นเท้าประตูดง <laughs> ไม่โดนแสดงว่าโชคดี <laughs> แต่ปุ ก, กุสาติกุระบุตรเนี่ยมีฝ่าเท้าอ่อนนุ่มเดินไปนิดเดียวเท้าก็แตก แต่ก็ไม่เรียกร้องให้ใครมานวดไม่มีใครนวดเห็นกองเกวียนพักตรงน้นแล้วนะก็ค่อยๆเดินไปนะเดินก็ย่องก็ยังเจ็บเจ็บปวดปวดก็เดินทนไปพอถึงที่นะทำไมถึงทนไปอยู่ได้จากตักกศิลาจนถึงราชกุฎเนี่ยเกือบ200โยโยธไม่ใช่200กิโลนะสองร้อยโยโยอด1นึงกี่กิโลรู้จักไหมสิกกิโล สองร้อยสองรยยดกี่กิโลใครเก่งคำนวณเดินทางอย่างนั้นเน่เดินตามเกวียนเขาพักก็พักด้วยพอรุ่งเชา้าพวกพ่อค้าก็จะเอาพวกสเสบียงที่ตัวเองมีเนี่ยมาถวายพระพระก็ฉันอาหารก็เปรียบไม่ได้เลยกับในวังเหมือนกินก้อนกรวดมันเป็นข้าวสเสบียงคือ เคยเห็นไหมเเอาข้าวมาตากเอาข้าวมาตากพอได้พอตากแห้งๆแล้วเพื่อให้เบาข้าวเนี่ยนะไมไ่เอาข้าวสารไปหุงนะเอาข้าวที่หุงแล้วไปตากให้แห้งแล้วจึงเอาข้าวนั้นขนไปพอถึงที่ก็ไปต้มน้ำนิดเดียวมันก็พองขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีมาม่าสบายใช่ั้ยเดี๋ยวนี้มันมีของสาเร็จรูปเยอะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเตรียมสเสบียงเนี่ยเอาข้าวไปหุง แล้วเอาข้าวที่หุงแล้วไปตากแดดมันแห้งแล้วก็วข้าวแห้งๆเนี่ยพอไปถึงที่ก็ต้มต้มน้ําแล้วก็ใส่ข้าวลงไปมันก็บานบางทีบานไม่เต็มที่ก็มาถวายพระแล้วพระก็ uh huh. เนี่ยอย่างเงี้ยตั้งแต่ตักกสิลาจนถึงมคตแต่ก่อนถึงมคตเนี่ยผ่านสาวัตถีก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตาวันสาวัตถี บุญปุกุสาติก็ไม่ถามเลยว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่หรือเปล่าเพราะว่าในราชสารนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นราชสารจากกรุงราชฤทธ์ไม่ได้คิดระแวงเลยว่านี่ก็เป็นวัดนะี่ยน่าจะน่าจะเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้ความเคารพในพระพุทธเจ้าจะเอ่ยปากอะไรนี่ก็เกรงใจจะถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่ไหมนี่ก็ ละอายเคารพในพทธเจ้าไม่ใช่มาพูดกันเล่นๆว่าอยู่ไม่อยู่ ไ, ม, ไม่เฉยๆธรรมดาจะพูดด้วยความเคารพเพื่อเทอ่าทูนเท่านั้นก็เลยเลยวัดเชตวันไปจากเชตวันจนถึงมคตเนี่ยอีก45โยต์อีก45โยต์ก็เดินไปอย่างนั้นนะเจ็บเจ็บปวดๆวดแต่ทนอยู่ได้เพราะ อาศัยว่าพอได้พักก็เข้าอนาปานาสติเข้าฌานจึงมีกาลังเดินต่อได้ไปได้เดินไปเท้าแตกเป็นเลือดไปเนี่ยไปตลอดทางได้เลือดตลอดทางเลยพอถึงมคตก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพอถึงมคตแล้วถึงปลายทางแล้วพ่อค้าก็แยกไปค้าขายละตัวเองก็ต้องแยกทางกับพ่อค้า พอแยกทางกับพ่อค้าก็ผ่านบ้านช่างหม้อบ้านช่างหม้อหม้อช่างหม้อคือคนที่ปั้นดินเป็นหม้อบ้านช่างหม้อเนี่ยจะมีที่เยอะเพราะว่าต้องมีโรงเผาต้องมีที่กองดิน <c oughs> ก็ไปถามช่างหม้อบอกว่าท่านรู้จักไหมว่าท่านท่านรู้จักไหมว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย บัตรนี้ประทับอยู่ที่ไหนช่างม่อก็บอกว่าอ้าวท่านถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ลุงพี่ท่านท่านมาจากไหนล้เนี่ยออก่อนมาถึงเมืองนี้เนี่ยเราผ่านกรุงสาวัตถีมาโธก็ตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีท่านผ่านมาแล้วทาไม แมแวะที่นั่นสักก็เจอพระองค์แล้วโอ้ไม่รู้นี่แต่ตอนนั้นค่ําซะแล้วจะกลับไปก็พอจําทางได้เพราะเดินมาเองเดี๋ยวนี้นะนั่งรถลืมตามาตื่นมาอีกทีถึงที่หมายเลยใช่ไหมกลับไม่ถูกใช่ไหมแต่นี่ท่านเดินไปเองจําทางได้แต่มันกลางคืนซะแล้วก็ต้องพักแต่ตลอดทางมาเนี่ยจะพักอยู่กับพ่อค้าแต่ตอนเนี้ยแยกกับพ่อค้าแล้ว เออแล้พระปกติก็พักที่ไหนกันยังยังไม่คุ้นนะนะยังไม่คุนะ้นว่าเออพระแล้วปกติพระท่านพักที่ไหนกันสงสัยตรงนี้เลยถามช่างม่อบอกว่าเออบรรดาสมณะทั้งหลายบรรพชิตทั้งหลายถ้าต้องการที่พักเนี่ยเขาพักที่ไหนกันไม่ได้คิดพูดเรียบเคียงเพื่อจะขอพักเลยนะแต่อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเขาพักที่ไหนกันช่างมอก็บอกว่า อ๋อถ้าสมณะทั้งหลายเวลาต้องการที่พักนะก็มาพักกับผมนี่แหละผมมีโรงโรงหม้อว่างอยู่ถ้าสมณะต้องการที่พักค้างแรมไม่มีวัดอะไรเนี่ยนะก็จะมาพักที่โรงหลังบ้านผมอ๋องั้นเราขอพักโรงหม่อนี่ก็ไม่ได้กว้างแบบศาลาเนี่นะเป็นโรงโรงเก็บของมี มอ้อแต ก, แตกมีขี้ไก่มีขี้หมูใครเคยไปอินเดียมั้งมันเขาเลี้ยงสัตว์แบบเมตตาสัตว์มากอะปล่อยให้ขี้เลี้ยลดก็ต้องไปกวาดเองเอามีกองฟางก็เอาฟางมาปูเป็นที่นั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันนั้นเองเนี่ยพอปุกุสาติกุลบุตรเดินผ่านที่สาวัตถี เพราะองค์ก็มันมียานกระทบรู้ว่าปุกุสาติกุรบุตรได้รับเพียงข่าวจากแผ่นทองคำก็ออกบวชสละราชสมบัติเป็นเรื่องทำได้ยากแล้วมาเพื่อประสงค์จะมาเข้าเฝ้าเรามาด้วยเท้าเปล่าไม่ยอมนั่งรถก็แล้วเลยเราไปแล้วเลยเราไปถึง กรุงราชคฤห์เราควรจะไปโปรดนะพระพุทธเจ้านะตรงนี้ก็น่ารักมากเลยซึ้งในความเป็นพระพุทธเจ้ามากพระพธเจ้ามาเราเลียกว่าปุ ก, กุสาติกุลบุตรเนี่ยเดินทางด้วยเท้าเปล่าด้วยเคารพเราเพราะฉะนั้นเราจะไปกรุงราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าไม่เหาะไปไ ม, ไม่ใช้วิชาย่นระยะทาง เดินไปเหมือนภิกษุปกตินี่เพราะเห็นว่าปุ ก, กุสาติกุระบุตรเคารพเราเราก็ต้องโอไปแบบนั้นบ้างอก่อนไปนะบินธบาตก่อนไปบินธบาติธินบาตเสร็จฉันเสร็จแล้วไปเดินทางไปไม่บอกพระไม่บอกพระสารีบุตรไม่บอกพระโมคคัลลานะไม่บอกพระอานนท์ไม่บอกอุปถา ไปด้วยเพศภิกษุปกติไปเดินเท้าเปล่าแสดงความเคารพ ก, กับปุกุสติด้วยเพราะว่าปุกุสติแสดงความเคารพด้วยวิธีนี้พระองค์ก็ไปด้วยวิธีนี้เดินทางไปแต่เช้าถึงราชคฤึกค่ำพอดี45โยชน์การไปของพระองค์ครั้งนี้เนี่ย พระองค์เนี่ยเวลาต้องการจะให้ฉับพันรังสีออกมาเนี่ยนะก็ออกมาได้ต้องการจะปิดก็ปิดได้คราวนี้ท่านไปแบบปิดไปเหมือนพระองค์หนึ่งคนทั้งหลายเนี่ยนะเวลาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ารัศมีออกลัศมีออกมันยิ่งกว่าออร่านะออร่านี่ยังต้องใช้เครื่องมือจับใช่ไหม พันรังสีเนะี่ยมองด้วยตาปล่าก็เห็นเทวดาทั้งหลายก็เห็นมนุษย์ก็เห็นดังนั้นมองออกได้ว่าองค์ที่มีแสงแสงนั่นแหละพระพุทธเจ้าเีแต่คราวนี้พระองค์ไปแบบไม่ให้แสงออกไปแบบคนปกติภิกษุปกติไปจนถึงบ้านช่างหม้อทำไมต้องไปบ้านช่างหม้อก็ปกิศสกปกุสาติอยู่ที่นั่น <laughs> ทำไมไม่แวะเวรุวันเพราะว่าเดินทางมาเพื่อจะโ ป, ปรดปุกุสาติจะไม่เข้าวัดแวะบ้านช่างมอ่อไปถามบ้านช่างมอบอกว่าเราขอพักสักคืนได้ไหมช่างมอก็ไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้จักว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าคงจะเวลาดูพระพุทธเจ้าคงจะดูแสงเอาเนาะคงจะใช้วิธีสังเกตแสงไม่ได้จำหน้าพระพุทธเจ้าไปเนี่ยจาไม่ได้ เชิญเลยท่านเออแต่เดี๋ยวผมอนุญาตให้สมณะอง์หนึง่งให้พักที่นั่นแล้วถ้าท่านจะพักนะถ้าท่านจะพักท่านไปขออนุญาตก็ก่อนก็แล้วกันถ้าเข้าอนุญาตก็พักได้ผมไม่ห่วงคือเข้าใจนะว่าเจ้าของบ้านก็จริงนะแต่อนุญาตให้อง์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจเดาวใจไม่ถูกว่าองนั้นเขาอยากอยู่องเดียวหรือเปล่า ถ้ามีอีกองหนึ่งไปมันจะเป็นการรบกวนไมอะไรเงี้ยนะก็เลยบอกว่าเราไปขออนุญาตเขาก็แล้วกันถ้าเขายินดีเขาก็คงอนุญาตนะถ้าเขาไม่ยินดีก็ขออภัยนะครับประมาณนี้นะก็ไปไปถามปกุศติกุลบุตรไม่ไม่กลางเข้าไปนะเราพระพุทธเจ้ามาแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่บอกกันนะนะจงให้ที่นั่งเราจงจ่าสนะให้เราไม่ใช่ไม่ยางงั้นเลยนะไปแบบเคารพเลยนะ พระพุทธเจ้าก็าไปแบบขอรพนะขออนุญาตพักด้วยได้ไหม <Yeah. S 1> เชิญเลยเราไม่หวงหรอกไม่ใช่ที่ของผมผมก็ขออนุญาตก็มากทีเหมือนกัน <Yeah. S 1> ไม่หวงเลยทําไมไม่หวงราชสมบัติยังทิ้งมาแล้วเลยใช่ไหมจำหวงอะไรกับที่นั่งตรงนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมไม่หวงเลยแล้วทั้งสององค์เลยนะพระพุทธเจ้าเดินทางสี่สิบห้าโยช น, นั้นนะตลอดวันเลยนะ ฉันเสร็จแล้วก็เดินปุกุสาติเดินทางมาเกือบ200โยชยต์ถึงคืนนั้นนะอ๋อและกูเพลียแลนอนไม่เลยนะทั้งคู่เลยนั่งเข้าฌานนั่งขัดสมาธิเข้าฌานพระรู้จ้าก็เข้าฌานปุกุสาติก็เข้าฌานทําไมไม่แสดงธรรมเลยปุกุสาติเหนื่อยอยู่ดูแล้วอะยังไม่พร้อมยังอ่อนเพลีย ให้เข้าฌานให้พักก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหมาแล้วต้องรีบแสดงธรรมไม่ใช่ยงั้นนะให้พักก่อนวิธีพักของทั้งสององค์ก็คือเข้าฌานนั่งขัดสมาธิไม่นอนวิธีพักของนักปฏิบัตินะนั่งเข้าสมาธิพอลืมตามาพระพุทธเจ้าลืมตามาก่อน ลืมตามมาก็เห็นปุกุสาติยังนั่งอยู่แต่ออกจากสมาธิแล้วปุกุสัตินะ่ออกจากสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าก็ถ้านั่งอย่างนี้ทั้งคืนก็นั่งได้ปุกุสาตติก็นั่งยงนี้ได้ทั้งคืนแต่เราในพระพุทธเจา้าทรงทรงคิดไว้ในใจนะแต่เรามาเพื่อโปรดเขาถ้าเราไม่พูดอะไรเลยนะเขาก็ไม่พูดอะไรเหมือนกัน ก็เลยต้องทักสักหน่อยก็เลยโอ้ท่านนี่งามมากนะความงามของพระเนี่ยนะอิริยาบถที่งามที่สุดคือตอนท่านนั่งความหมายของของพระพุทธเจ้านะคือท่านเนี่ยงามมากเลยถ้านอนไม่งามในวงเล็บนะถ้านอนไม่งามถ้ายืนดอกแดกดอกแดกก็ไม่งามถ้าเดินถ้ายืนไม่งามนั่งนิ่งๆเนี่ยงามมาก ท่านมีอิรยาบทที่น่ า, น, านับถือน่าเลื่อมใสท่านบวชอุทิศใครท่านชอบใจธรรมะของใครใครเป็นศาสดาของท่านถามงี้นะทำไมต้องถามรู้ไหมว่าเขาบวชท่านปกุศติบวชเพื่อใครรู้นะรู้แต่ทำไมต้องถามทาไมถามก็ไม่รู้จะเริ่มอะไระ <c oughs> ถามเพื่อให้มีการพูดคุยกันเพื่อเปิดทางที่จะไดแสดงธรรม ภูกุสาตติเขบอกเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเล่าเล่าพุทธประวัติให้ฟังนะเล่าเอื้อเฟื้อกับนักบวชองค์ที่อยู่นั่งข้างหน้าเนี่ยเขาคงไม่รู้จักพระพุทธเจ้ามากานเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะออกบวชจากตระกูลสากะยะวงศ์มาออกบวชมาบำเพ็ญทุกระริยะเล่าประวัติให้พระองค์ฟังพระองค์ก็ฟังอเราบวชโอทิต พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราชอบใจธรรมะของพระองค์นั้นเรามีศาสดาคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพเจ้าเลยถามว่าท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมไม่เคยแล้วถ้าเห็นแล้วจะรู้จักไหมไม่รู้จัก <c oughs> โอ้งั้นจงฟังพระพ้จักก็ไม่บอกนะว่าเราเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราเองคือสมณะโคดมไม่บอก <c oughs> ไม่ไม่นั่นเลยนะเอาอย่างนี้